รู้จักวงจรชีวิตไหมวงจรมันมีอะไรบ้างเกิดเหรือเกิดดังนะเกิดแล้วก็มีโอกาสได้แก่กับผมบ้างหรือเปล่าบ้างแก่เนาะแก่แล้วก็เจ็บนะเจ็บกับเจ็บแล้วก็ตายแล้วก็ เกิดดีนะกรรมกิเลสวิบากเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เขาเรียกว่าบางทีขง เ, ารระะเาทขาก็เรียกว่าธรรมะนะเนี่ยบางทีเขาเรียกธรรมทูตนะเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายนีย่มีสี่สภาวะชีวิตมันเป็นวงจรแบบนี้เดี๋ยวนี้เราเกิดมาเราเกิดมามีกายมีจิตกายคนเราตายแล้วเกิดไหม ใครว่าตายแล้วเกิดยิมากขึ้นยิขึ้นเลยนะโอ้ใครว่าตายแล้วศูนย์ไม่เกิดรู้มาจากไหนว่าตายแล้วเกิดรู้มาจากไหนว่าตายแล้วศูนย์ฮะอ๋อตายแล้วเกิดเขายังไม่เคยเห็นเนาะ อคนไหนมีประสบการณ์เคยเห็นคนตายแล้วเกิดมีไหมในนี่มีไหมไม่มีนะรุตาเห็นหลายคนนะเห็นแบบแตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กก็เห็นยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนะี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องชาญเรื่องสมาธินะแต่เห็นเห็นคนตายแต่ก่อนเป็นผู้หญิงตายมาเกิดเป็นผู้ชาย แล้วก็จําเรื่องราวอะไรได้หมดเลยอ่ะห่างกันแค่หกปีตายแล้วเมื่อเกิดไหมเมื่อเกิดก็คืออยู่อีกบ้านหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันเวลาแต่ก่อนมีจักรยานพ่อเขาอีกหมู่บ้านหนึ่งคนก่อนน่ะ น, นะขี่จักรยานผ่านไปเด็กคนนี้มันแค่อายุหกสี่ปีเท่านั้นอ่ะมันเริ่มมองเห็นนะ่ะมองเห็นมันร้อง พ่ออีพ่ออีพ่อพ่อพ่อพ่อมันเรียกพ่อจันพ่อจันนะใครก็ไม่รู้ว่าใครกันแน่นะแต่มื่เกิดตอนนี้มันเป็นผู้ชายนะเมื่อก่อนเป็นผู้หญิงเลยจอดรถรับออกมันเรียกพ่อพ่อยังไงอย่างนี้นะเด็กมันจําได้หมดแล้วมันจําได้ด้วยว่ามันถามหาสมัยมเป็นผู้หญิงที่เกิดครั้งก่อนว่าเพื่อนของมันที่อยู่หมู่บ้านนั้นยังอยู่ไหมคนนั่นคนนี้มันได้พาไปหาซึ่งเขาแต่งงานหมดแล้วมันพ่งได้สี่ขวบห้าขวบ เป็นผู้ชายปรากฏการณ์แบบนี้อธิบายยังไงอ่ะคือสรุปก็คือคนที่เป็นพ่อคนเนี้ยพ่อแต่ชาติปางก่อนตกลงก็คือพอพากลับบ้านไปเขาก็เล่าลือกันให้มันไปชี้อันนั้นบ้างอันนี้บ้างอันนั้นบ้างทั้งหมดในบ้านน ะ, ะมันบอกว่านี่ผ้าถุงของมันห้องนี้อยู่นี่ นี่ควายที่มันชอบไปเลี้ยงตัวนี้วิทยุมันมันอันนี้มัน น, อ น, อ น, อ น, อ น, นาอะไรมันทำอะไรมันไปมันชี้ได้โม้เลยคือจําเป็นต้องแบ่งมรดกให้สุดท้ายคือได้แบ่งมรดกให้เลยนะคือมันมันมันเหมือนกับว่าคือเขาทาเขาจาได้ไม่รู้จะทำไงอะ่ะพ่อแม่เก่าก็ได้ได้แบ่งให้ก็เรียกเขาเป็นลูกเหมือนเดิม สรุปทางโน้นก็ได้มรดกท่างนี้เขาก็ได้ถามเขาเขาบอกว่าอาตมาก็ฟังเขาถามเขานั่งฟังเขาถามว่าตอนเขาตายไปอ่ะอันนี้ฟังไว้นะเผื่อเราไปไปเจอไปแล้วมันจะเป็นไปเจอยมบาลยมบาลเขาเขาไปในนั่นเขาจะมีตรวจรายชื่อบนเขาว่านเนี่ย ใหนหนังมาเน่านะตัวดูคนไหนถ้าทำความไม่ดีเขาจะมีหนังมาเน่าตัวดูแต่คนไหนทำความดีเขาจะมีจดใส่แผ่นทองคำหอมนะเดี๋ยวนี้คงเป็นโนะ้ตนบะนะุ๊กนะเขากดดูแล้ ว, ลวหละมันมีหมากกันหนึ่งอ่ะมันเป็นลูกเหมือนแอปเปิลเลยเบอแต่เขาไม่ได้พูดแอปเปิลนะ สมัยน้นบ้านนอกยีงไม่รู้จักแอมเพ ล, นะล่นนะหลวตานี่กินเงาะเนี่ยเมื่ออายุสิบสิบสองปีนะรู้จักเงาะเนี่ยอแต่ก่อนไม่อยู่ไกล้ความเจริญนะรถ ล, ลากไม้ลากซุงเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยยังวิ่งดมขวันมันอยู่ทำให้มันหอมจังควันรถเนี่ยมันไม่เคยเห็นนะมันโบราณขนาดนั้นนะรองเท้านี่ไม่ค่อยได้เจอนะ่ จอรองเท้าเมื่ออายุสิบสี่ปีรองเท้าเนี่ยได้ไปเรียนคาถาอาคมค า, า, าถา้ําอ่อนคาถาไปเรียนคาถาก็ไม่เอาคาถาอะไรขอคาถา้ํามอ่อนเพราะว่าต้องเดินดงเดินป่าอยู่อยากเห็นเหยียบแล้วหนามมันอ่อนไปเลยเนี่ยนะมันจะได้ไม่เจ็บเท้าตอนนี้ก็อายุเยอะอะไรนี่ยจะหกสิบแล้วนี่ปรากฏการณ์มากมายนะเรื่องแบบนี้ใน ประจักษ์ปัญาการตายแล้วเกิดของดรบุญนินเกตของมอชที่เขาเขียนทาสตธาจารนะวิจัยเขาตั้งของคนในออสเตรเลียในอะไรเยอะแยะไปนะพูดถึงเรื่องประจักษ์ปัญญตายแล้วเกิดตายเขาไปหาสัมภาษณ์คนที่ตายแล้วเกิดเป็นยังไงยังไงเนียเยอะแยะรู้จักฮันนี่สีอีสานไหมฮะ เออเอ อ, เ อ, อนักร้องหมอหลาขับรถวีับตายที่ศรีสะเกดกำลังไปลาเลี้ยวพบก็แทกรถชนต้องอัดกระ ป, ปี้ไม่มีถุงนิรภัยนะอัดเข้าในนี้ตายเลยกระดูกเพินว่าคนอยู่ใกล้ๆนั่นเขาท้องผู้ดีอะ อีกไม่กี่เดือนต่อมาคนนั้นคลอดคลอดลูกคลอดลูกออกมาหน้าอกลูกสาวเขามีมรูปพวงมาลัยพวงมาลัยล้อรถนะติดอยู่ในนี้นะที่โรงหนังสื้อพิมพ์ไทยรัฐนะ น, นี่พออายุสี่ขวบมันร้องได้อัลบั้มฮันนี่อัลบั้มหมอลำนะชุดหนึ่งอ่ะมันร้องครวนเลย จับไม่ก็เหมือนฮันนี่มันรู้ท่าทางโดยซ้ำไปจับยังไงมือซ้ายมันว่ามันไม่ได้ชื่อมันไ ม, ไช ม, นไมไ่ชื่ออีสีชื่อฮันนี่อธิบายยังไงอะ่ะปรากฏการณ์เนี่ยมันก็จำได้หมดนะ่ะพูดเมื่อกี้นั่นนะไอ้ที่บอกว่าลูกผลไม้หนึ่งนะเป็นผลไมนะ้นเขาเอามาให้กินเขาเรียกว่าลูกลืมชาติ เขาเอามากเืมศาสตร์มาให้กินป่ะนะกินมากเรื่มศาสตร์เพื่นกินแล้วสิลื่มแต่เขาก็เก็บไว้แล้วเขาก็ซ่อนเอาไว้ไม่กินนะ่ะเขาถามโย ม, มาบาลถามเขาก็เลยโกหกโย ม, มาบานกินแล้วกินแล้วแต่จริงไม่ได้กินนะ่ะพอไม่กินเขาก็ไม่ลืมสภาพเขาก็มาเกิดใหม่หนี่ยนะเอาถ้าว่ามันไม่เกิดใหม่เนี่ยอธิบายยังไงปรากฏอาการณ์ น, นี่ยซึ่งเกิดเยอะมาก เยอะมากนะยกตัวอย่างมาให้สามสี่เรื่องเดี๋ยวหลวงตางมีเทปมาหนึ่งนะตายแล้วเกิดสิบสี่วันฟื้นนะเคยฟังไหมน่าจะเคยฟังนะหม่อมรัชวงศ์อะไรที่ในหลวงให้กินการไปแสดงทำให้อลิซาเบธฟังนะนั่นะนะ่นะชื่ออะไรนะฮ้าวโอ้ผมนึกว่ามันจะตอบเป็น เ, ออเขาตายแล้วเขาก็เกิดอีกนะแล้วเขาก็มายืนยันกับคนว่าตายแล้วมันเกิดนะอย่าประมาทนะทําบุญเด้อเนี่ยงั้นพรุ่งนี้ก็อย่าลืมบริจาคตามกําลังศรัทธาั้งนั้นก็บาปตายนะ อ, อยาเกิดแก่เจ็บตายเกิดถ้าตายมาตรงนี้เขาจบพูดอย่างนี้คือเกิด แกเจ็บตายเวลาคนผสมพัน์กันเนี่ยแล้วมันจะเกิดเป็นเป็นเล็กๆแล้วค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นเป็นก้อนเนื้อนี่นะมันจะเริ่มมีปุ่มออกมาในนี้อันนี้ในจิตวิทยาพุทธศาสนาเขาจะพูดละเอียดมากเป็นปัญจสาขาเป็นบนรรละก่อนเป็นละคือเป็น เป็นวุ้นแล้วเขามาเป็นปัญจ่าสาขาเหมือนเต่า อ, อะไรเนะี่ยอันนี้มันจะเริ่มเป็นขานะนองมาเป็นตัวพอเป็นตัวปุ๊บเกิดเนี่ยเขาจะนับเอาตั้งแต่ปฏิสนธิวิญญาณลงมาปุ๊บมันกระดุกกระดิกได้นะเขาถือว่าเกิดถ้ามันไม่กระดุกกระดิกยังไม่เกิดวิญญาณแล้วมันมาจากไหน ือเนี่ยถ้ารู้แจ้งสักหน่อยเนี่ยบรรลุโสดับบั น, นีิตจะไม่สงสัยนะว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยเพราะมันไม่รู้นี่แหละือมันมาจากไหนไอตัวมันวุบเข้ามาเนะี่ะพวกเธอเนี่วิญญาณเปรตวิญญาณผีเข้ามาเนี่มันมาจากไหนเนี่ยเนี่ยเวลาพ่อแม่ดา่าไอีผีหาเงยมันถูกของเขานะเพราะเขารู้เพราะเขาเป็นคนผลิต เ, เนี่ยนับจากนั้นนะที่นี่ไอ้พวกที่เวียน่าวตายเกิดอยู่เนี่ยเป็นพวกที่ยังมีกิเลสอยู่เขาว่าอย่างนี้นะตํารานะาผู้ศาสนามาีสังวัตกรกับกับวิวัตตะกับนะคำสอนพูดถึงเรื่งตายแล้วเกิดก็มีตายแล้วศูนย์ก็มีมีทุกระบบให้นะแล้วแต่ คนมีความเชื่อความอะไรยังไงทีนี้ก็จะเป็นเนี้ยก็มาปฏิสนธิอันนี้มันมีกิเลสกิเลสรู้จักกิเลสนะกิเลสนะคื อ, อย่างเหนียวนะคือเหมือนเหมือนเหมือนมเมล็ดพืชเนี่ยเ ม, ม, เดมเ็ดถั่วนี่ตกปอกที่มันมีกิเลสคือมันมีมีเชื้อที่จะงอกนะถ้าเม็ดนี้เขาเผาแล้วมันจะมีเชื้อไหมมันมีพืชชนิดหนึ่งนะเหมือนหมัก อะไรนะอะไรที่พอเผาแล้วเขายนเสบัดน้ํามนต์แล้วหอมนะ่ะเออส้มหรือเปรี้ยวอสมส้มปล่อยนะเนี่ยส้มปล่อยส้มปล่อยมีลักษณะอย่างหนึ่งคือแม่เผาเผาแล้วก็ลอยน้ําเผาแล้วก็เบาเผาแล้วก็หอมทิ้งนาใส่น้ําแล้วไม่เน่านะส้มปล่อยคือส้มปล่อยวางเลยปล่อยแล้วมันก็จะลอยอ่เนย อันนี้ส้มปล่อยก็มีข้อหนึ่งนะในเรื่องของพิธีชีวิตนะนเี้คือมนุษย์เนี่ยมันแก้ปัญหาชีวิตมันจะมีหัวข้อเรื่องพิธีชีวิตอันนี้เขามักเกี่ยวข้องด้วยอันนี้เผาแล้วปล่อยแล้วก็ลอยน้ําแล้วก็งอกไหมงอกไหมแช่อยู่ในน้ําก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เน่านะแต่อันนี้เม็ดถั่วเนี่ย มานี่มันจะงอกเพราะมันยังมียางมันอยู่ไ อ, อย้ยางเยื่อใอยา ย, ยางที่มันพร้อมที่จะงอกเนี่ยเขาเรียกว่าอันนี้เรียกว่าอะไรนะกิเลสเนี่ยกิเลสอั น, น, อ น, น, ออ น, นในใจเราเนี่ยมีกิเลสไม่มีกิเลสคือมันมีอารมณ์คุกุ่นอยู่ข้างในอะมันฝังอยู่ลึกๆเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสอันนี้คือเหมือนกันทีน่นี่พอมันมาปุ๊บลงมาอา้าวเกิดแล้วว <c oughs> ันนี้มีคนมาบอก หลวงตาหนูอยากได้ลูกมันก่อม่ได้ลูกสองได้ลูกคนหนึ่งผู้ชายที่มันอยากได้ลูกอีกคนนึงเฮ้ยทําไมไม่เข็ดไม่หลักนูวะอยาได้ลูกอย่าได้ลูกสาวได้ได้ลูกชายะได้สองตัวด้วยน้ําหนักสองจุดแปดกิโลถือว่าโตนะน้องสองตาว่าจะโทรไปบอกอยู่ว่าเอาอีกเอาอีกมันยังไม่ได้ผู้หญิงไงเอาผู้หญิง คนแรกก็ได้ผู้ชายทีนี้เอาคนที่สองได้ได้อีกสองคนเป็นแฝดนะยากไอ้ที่มาปฏิสนธินี่ยังมีกิเลสอยู่หรือหมดแล้ว <Yeah. S 1> โอ้ยกลัวจะพูดยากเลเนี่ยแต่ได้ดีก็เหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่ามาันกลระวังดีเดี๋ยวมันติดยาเนี่ยวิญญาณติดยานี่ไม่รู้มาจากไหนนะ <Yeah. S 1> <laughs> วิญญาณกินเหล้าเนี่ยมาจากไหน มันมาจากไหนมาจากชาติฟังก่อนไหมหรือมันไม่เกี่ยวกันกับกิเลสเนี่ยหรือเขาอธิบายผิดหรือยังไงฟังนะไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็เป็นอลไรเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยพราะมันตายนี่มันแสดงว่ามันจะไม่ตายจริงเนี่ยเพราะมันยังมีกิเลสที่มันจะพอได้เหตุปัจจัยแล้วมันจะมาอีกเนี่ยเกิดิีงเอามาละมันก็แก่อีกเนี่ย โอเแล้วก็เทียบอีกตายอีกตายแล้วตายอีกตายแล้วตแวตแ่ตอีกเห็นไหมที่เขาพูดในสารคดีบนะีบซเนี่ยเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาสารคดีพุทธศาสนาหรืออะไรอย่างๆเนี่ยจะออกโทรทัศน์ฝรั่งเยอะเดี๋ยวเนี้ยฝรั่งเขาทําสารคดีแนวนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นคือเขาเริ่มเผยแพร่นะ่ะคนเลยสนใจเรื่องพุทธศาสนาแต่ก่อน ศา ส, สนาพุทธในฝรั่งก็เหมือนกับศาสนาคริสต์ในประเทศไทยถือปเป็นเรื่องแปลกประหลาดถือเป็นละที่นอกแนวนะไม่ยอมรับนับถือไม่เอาใจใส่เดี๋ยวนี้เขาเปิดกว้างฝรั่งก็เหมือนกันนะเขาเปิดผู้ศาสนาเข้าไปเดี๋ยวนี้คนอธิบายเห็นไหมมาจากมหาวิเลยอะไรอ่ะคือฝรั่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยซ้ําไปนะเฉพาะสาขา เฉพาะแนวคำสอนของมหายานหินยานอะไรนี่เขาจะชำนาญจะเก่งนะอันเวลาเราไปเรียนกับเขาไปเรียนในฝรั่งเราเรียน พ, พุทศาสนาเขาเกิ่งกว่าเรานะอะไรนนคนหัวโล้นๆน่าจซันเดอร์แลนด์เทีนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยไปเนี่ยไปเป็นวงจรชีวิตอันนียเนี่ยายกับจิตเนี่ยมันเป็นวงจร วงจรไปเรื่อยๆเล ย, ยกลับไปกลับมากลับไปทำํำไงที่จะตัดวงจรนี้ได้เอา้าถ้าสมมติว่าไม่มีกิเลสนี่จะตัดยังไงเนี่ยไม่ให้เกิดนะเอา้าถ้าตัดตรงเกิดนี่ไม่เกิดแล้วทําไงทําไมที่จะไม่เกิดคําว่าไม่เกิดไม่เกิดยังไงเนี่ยนะถ้าไม่เกิดทางด้านร่างกายนีย่ก็อย่างคุ้มก้มเห น, นิดนี่ก็น่าจะจบนะ พุทธศาสนาไม่ได้พูดว่าการเกิดเป็นคนเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นทุกข์นะนะถ้าเป็นอีนี่เป็นพุทธศาสนานี่ไม่ใช่สากลไม่ต้อง ป, ปฏิบัติวิปัสนาดับการเกิดี่ก็ไม่มีอะไรนะคุมกําเนิดเอาก็าจบใช่ไหมไม่ต้องเรียนรู้แต่พุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องของร่างกายเป็นเรื่องของจิตเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของวิญญาณ ลักษณะนี่เรื่องของวิญญาณซึ่งอองค์ประกอบมันนี้แหละชีวิตที่ประกอบไปด้วย อ, อะไรนะกับอะไรนะขันห้าธาตุสี่นี่ก็คือเออคือกายเนี่ยะนะขันห้าก็คือใจ คือ น, นามเนี่ยมันมีแค่นี้จริงๆก็คือมีมีกายกับมีใจมีสองอันนะที่นี้กายก็ร่างกายมนุษย์เรานี่ที่มันมีชีวิตยอย่างที่เขาว่าแหละเพราะมันมีความรู้สึกมีความรู้สึกความนึกความคิดความรู้สึกนึกคิดได้มาจากไหนหต้นไม้มีชีวิตไหม มีคว่าสรู้นึกคิดไหมไม่มีแร้วเคยเห็นต้นไม้หนึ่งไหมต้นจั ก, กระเดียมน่ะเคยเห็นไหมต้องตาเคยเห็นที่เชียงราย ไ, ไปหยิกมันนี่มันสักพักออกมายืนดูมันจะเริ่มสันนะ่นต้นนึงคือมันเหมือน ไ, ไปจับจั ก, กระแลมันนะ่ะจนทางวัดเขาไดเอารวบหนามล้อมไว้คนชอบไปหยิกมันนะ่ะ มันจะเริ่มขยับตั้งแต่ปลายลงมานะเป็นต้นไม้ที่มันขยับได้มีความรู้สึกไวนะต่อความสัมผัสเนี่ยบางคนพอเข้าไปไม่ได้ตัดเอาไม้ไผ่แหย่เอาโอ้เขาก็เลยทำรั้วขยับบอกขยับบอกให้ดูไกลๆเอาปานนั้นก็ยังเอาหนังสถิกยิงเข้าไปอีกพ อ, อจนขึ้นว่าอายา่า ทำร้ายต้นไม้ในต้นไม้มีนางไม้อยู่พอพูดอย่างนี้มีแต่ทูบเทียนดีขึ้นเน่ะส่วนต้นไม้ต้นอื่นลงตาก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันก็มีชีวิตมีชีวิตก็คือสังเกตได้ว่ามันมีชีวิตเพราะอะไรมีการเจริญเติบโตสองต้องการที่อยู่สาม เื้อพันสี่ต้องการอาหารพรุงอาหารเป็นห้าเื่อนไหวหกน่าจะมีห้าอันนะอันนี้จำมาตั้งแต่พอสี่นน้นนี่แต่ว่าต้นไม้สิ่งมีชีวิตพวกนั้นนี่มันจะมีการรับรู้นิดเดียวมันไม่เยอะแต่ น, นี่มันเยอะมนุษย์เนี่ยเยอะคนกับหมาเนี่ยคนเนี่ย เยอะกว่าหมากับคนนี่มันอยู่ด้วยกันมันใกล้ใกล้กันน่ะคนเลยรักมันหัวสมองนี่คนมันดีกว่าความจําขันห้านี่ขันห้าของมันเนี่ยสมมุติว่าหมานี่มันจะมีอยู่สักสามเปอร์เซ็นตเนี่ยคนนี่มันมีมากกว่านขันห้านี่แต่รูปนี่จะเท่าๆท่ากันรูปเท่ากันบางคนรูปขี้ไร้กว่าหมาที่สําไปนะเมตตาถามบางคน ยังไม่ได้อาบน้ําเลยแต่วานนียอาบน้ําำเลยนเน ย, นนยังลืมล้างแต่หน้าวัออานนะ่ะล้างแต่หน้านะมีหน้าถึงม4ขันห้ามนุษย์เนี่ยมันดีแต่ธาตุสี่มัน เ, มนเหมือนกันนะอันนี้มีธาตุสี่ไหมเหล็กนี่มีไหมมีดินน้ําไฟลมไหมมีนะมีแต่ในปริมาณที่ มากน้อยต่างกันมีอะไรมากที่สุ ด, สดเออมีดินจะมาเหล็กยังไงเนาะ ด, ดินน้ำไฟลมจะมาเหล็กงไงนะมีพระองค์งมาบวชอยู่แล้วไม่รู้จากภาษาเท่าไหรน่นะึ้นเทศยาโยมคำสอนพห้เจ้านี่อาตมาชเชื่อเลยนะ ตัวอาตมาเองตั้งแต่ปฏิบัติมาก็สามารถตัดโลภะโลหะได้หมดแล้วเอา้าโลหะมั น, มนมออกมาจากไหนนาอกม่โลหะนี่ตัดยากเงื้อมันก็นยากแล้วโลหะมา <c oughs> นั่งเทศอยู่ในนี่นะ่นะะเทศดีจังนะโยมเข า, ขาหัวเราะท่านก็ยังไม่รู้เรื่องนะเอาจริงๆพูดจริงๆนะเพิ่งทำได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะอ้ยนะ โลหะชนิดไหนเนาะทาได้ยากมากแบบนี้อันนี้เป็นขันห้าเนี่ยขันห้าก็คือใจนหละใจมันมีห้าลักษณะเหมือนรูปมีดินน้ำไฟลมแต่ดินนี่มันจะเยอะกว่าน้ำมีไหมในนี่มีน้ำไหมเออในเหล็กเนี่ยมีนะมีแต่ว่าปริมาณมันน้อย เพราะมันน้อยนะมันถึงได้เป็นเหล็กไฟมันมีไหมความบูดอุ่นมีลมมีไมมมีช่องว่างอะไรอยู่ไหมมีนะนะเพราะมันมีแบบนี้ออกมาเราเรียกว่าเหล็กอะเนี้พอแต่มันเป็นแบบนี้นี่มันไม่หนาเน่นความหนาแน่นมันมาเขาเรียกว่าไม้อะเนี้นะแต่มีดินน้ำไฟลมอยู่แต่มีขันท้าไหมไม่มีนะมีแต่ทาาสีทาาสีนะ คนนี้ธาตุสีดินมันเยอะนี่ดินเยอะมันก็อ้วนนะดินเยอะอ้วนนะกินเอากินเอานมันเยอะอ้วนน้ำไฟลมน้อยพอดีบางคนดินน้อยนะดินน้อยเดินไปถานนาก็มีแต่จะปลิวไปปลิวมานะผอมบางนี่ดีน้ำไฟลมคือมันต่างกันนะ่ะปริมาณมันน้อยมากต่างกันทีนี้มันมีอันหนึ่งก็คือ อันนี้มันไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่นะ่ะจะอ้วนจะผอมจะอะไรยังไงก็ตามเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของรูปแต่เรื่องของจิตเรื่องของนามนี่คือความรู้สึกนึกคิดที่มันเข้าไปอยู่ในนั่นนะ่ะไอ้ตัวเนี้ยสำคัญนะเนี่ยเขาเรียกว่าใจนะฮะอยู่ที่ใจใจใจใจที่เขามาสิงสถิตอยู่ในนี่นี่สาคัญเนี่ยนี่เนี่ย แค่ความรู้สึกทีแรกเนี่ยทีแรกมันจะเป็นความรู้สึกแต่ความรู้สึกบางที่มันซึมซับเอาจากจากพ่อแม่นะจากกรรมพันธุ์พันุพ่อพันุ์แม่พ่อแม่ให้ความเป็นดูพ่อแม่เอาใจใส่อะไรยังไงเนี่ยมันจะเริ่มซึมซับเอานั่นนิสัยส่วนหนึ่งจะเหมือนเหมือนพ่อเหมือนแม่ยิ้มเหมือนพ่อยิ้มเหมือนแม่หน้าตาอะไรประมาณเรื่องเป็นแบบเขาเรียกว่ากรรมพันธ์เป็นกรรมเหมือนกัน่ะแต่เป็นกรรมพันธุ์ กรรมพันธุกรรมปิิสรโนุยากรรมังกริษามิเรียญนังวะกวาคังวตทัศทัจจะแต่ลักษณะลักษณะวงจรของชีวิตอันหนึ่งก็คือพอมันมาเป็นแบบนี้นี่เกิดเกยเจ็บตายแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามกรรมพันธ์อันหนึ่งนะกรรมสกมิกรรมไายโทกรรมโยนิ กรรมเป็นตัวก่อให้เกิดเกิดอะไรเกิดพฤติกรรมนะฮะที่มันสะสมทีนี้ไอ้ตัวกรรมทั้งหลายนี่เอ่อมันจะสะสมอยู่ในไหนเอออยู่ในขันท่าอยู่ในขันท่าทางด้านร่างกายนี่ก็ก็มีบ้างแต่ว่าเป็นมันเป็นธรรมชาตินะอันเนี้ย เป็นธรรมชาติของร่างกายแต่จิตใจเนี่ยมันสะสมลงมามันเป็นเป็นพฤติกรรมเป็นเป็นทําให้กายนี่หมุนเวียนเปลี่ยนไปยังไ ง, ไ ง, ไ ง, ไงมันอยู่ที่ขันห้านนี่อยู่ที่จิตอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดมากเข้ามากเข้ามากเข้าก็เป็นเนี่ยไม่อยู่ที่การเลี้ยงดูด้วยสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสักเจ็ดสิบห้าที่ตัวเราเองอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดเราอีกสักยี่ห้ายี่ห้าเปอร์เซ็นชีวิตเนี่ย สิ่งแวดล้อมเขาจึงให้คุณค่ากับกัลยาณมิตรไงพระอานนท์บอกเฮ้ยหลวงพ่อพระพุทธเจ้ามผมว่ามันอยู่ที่เรานะี่ยธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองพระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่กัลยาณมิตรนะอยู่ที่กัลยาณมิตรอยู่ที่คนบอกคนแนะนําคนช่วยคนสอนไม่ใช่อยู่ที่เราเราในสักยี่สิบห้า พระุทธญาบว่าถ้าอาศัยได้อ า, าศัยเราเป็นไกลยายนมิตรแล้วเนี่ยจะพ้นทุกทั้งพวงได้เธอก็เป็นคนจริงอาศัยเราผู้รู้จริงสอนก็จะเป็นได้ทีนี้ขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวพอสะสมมากๆมันจะเริ่มมีความรู้สึกไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันจะสะสมไว้ในจิตเนี่ยจิตเราเนี่ยจิตหรือว่าขันห้าอะไรเนี่ยมันสะสม ใส่ทุกวันทุกวันรับรู้อารมณ์ทุกวันรับอารมณ์ทุกวันรับอารมณ์ทุกวันว น, นะจะเริ่มนะจะเริ่มเปลี่ยนนิสัยนะแล้วจะเริ่มมีนิสัยตัวกําหนดพฤติกรรมชีวิตก็คือตัวที่เราสะสมอารมณ์นี่แหละสะสมแล้วเราดับไม่เป็นเราสําคัญวรรหมายสุขเราก็เอาสุขทุกข์เราก็ทุกข์เราก็เป็นชอบชังพ่อแม่เอามันเอามันินอย่างเงี้ยฝ่ายนั้นฝ่ายนี่ไงนนะ จะสอนอยู่ในพ่อเป็นหมอลูกก็จะเป็นหมอเห็นความสะดวกสบายคนยกย่องสรรเสริญพ่อมันเป็นสอสอลูกมันก็จะเป็นสอสอแม่มันเป็นสวอลูกมันก็จะเป็นสวอคือมันไหลไปตามพฤติกรรมเนี่ยคือเป็นการสะสมเห็นพฤติกรรมบ่อยๆก็เข้ามาซึมซับเอาไปบ่อยๆมันก็เริ่มอยากเป็นน่ะ ต้องการลาบยศสรรเสริญคนยกย่องอะไรประมาณเนี่ยสะสมนั้นร่างกายนี่ไม่มีอะไรเนี่ยจิตเป็นตัวกําหนดจิตเตนะนิยติโลเกจิตเตนะปริกัสติจิตตสัยกธรรมสะสะเพวะวะสวรมาคูโลกชีวิตความหมายของชีวิตเนี่ยบางทีเขาใช้คําว่าโลกนะโลกโกเนี่ย ชีวิตอันจิตนำไปอันจิตชักไปสัตว์ทั้งปวงเป็นไปด้วยอํานาจจิตอย่างเดียวจิตพาไปที่ตัวจิตนี่ปัญหามันก็คือไอ้ที่ตัวพาไปชักไปในตัวจิตเนี่ยมันไม่ใช่จิตฉลาดนี่เดปัญหาขจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่ไม่รู้นะแล้วจิตเป็นจิตที่จิตที่หลงมันหลง หลงยึดมั่นหรือมั่นหลงยึดติดอารมณ์หลงยึดไม่ปล่อยไม่วางอารมณ์อะไรเข้ามาก็ยึดติดเข้ามาทางที่มันเข้ามาเข้ามาทางทางไหนนี่มาทางไหนหกทางแล้วเนี่ยเออมาทางอายตนะแหละหลงไปชอบหลงไปชังรับรู้เฉยเฉยไม่ได้พอสะสมมาเข้ามาเข้าก็เป็นหนักหนหนักเข้าหนักเข้าหนักเขาหักา เหมือนน้ำนะมันขุ่นทีแรกนานๆไปเป็นอะไรนะเป็นตะกรเป็นดานนะแต่ก่อนแทนภูเขาพวกนี้แต่ก่อ น, น, น, เ, ข น, อนเขาก็เป็นเหนียวเหนียวเป็นเลยนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็แข็งทื่อนนะ่ะเมื่อสองพันปีที่แล้วมันอาจจะอ่อนกว่านี้ไปอีเดียมจะมีรอยเกวียนเต็มรอยเกวียนแต่รอยเกวียนนี่เป็นหินหมดแล้วนะอเมื่อก่อนมันคงอ่อนๆนะ่ะเขาแกะสลักพวกนี้ก็คงอ่อนๆต่ก่อนเพราะอะไรที่มันลึกๆเนะ่ยเขายังแกะได้เลยอ่ะ เห็นเนี่ยคไม่แข็งเท่าไหร่สมัยก่อนอย่างหลวงจีนวัดเศ้าหลินเนี่ยเขาแสดงหนังเราเห็นไหมพลังฝ่ามือพุ่งมีติดอยู่เต็มหมดเลยนะแสดงว่าหินมันอ่อนสมัยก่อนนะเป็นรูปหลงมากเข้ามาเขาเป็นตะกระ น, นี้ก็เหมือนกันนะติดอารมณ์มากเข้ามาเข้ามาเข้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอืมอืม ความมันหลงเยอะเป็น อ, Yours, อันนี้นะเป็นอวิชานะเป็นอวิชามันไม่รู้มันไม่รู้ว่าต้องดับไม่รู้ว่าต้องตัดไม่รู้ต้องว่าไม่รู้ต้องปล่อยมันไม่รู้ wow อ่ะจิตมันไม่รู้มันหลงพราะไม่หลงมันเริ่มแกว่งแล้วนะวงจรชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ตรงนะไม่ได้ตรงประเด็นมันไปแล้วนั้นชีวิตเราเริ่มต้นมันก็ผิดแล้ว พวกนี้ก็ผิดหมดทีนี้จะตายชีวิตถีชีวิตอะไรแต่พิธีชีวิตการจัดการกับชีวิตเนี่ยพิธีชีวิตเป็นไปด้วยความงมงายด้วยความโง่คือมันเหมือนอริยสัตว์ห่ะถ้าขึ้นถูกก็ถูกถ้าขึ้นผิดก็ผิดถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้นะะชีวิตที่เป็นทุกชีวิตหมดนะะทุกชีวิตไม่ได้สุชีโวนะทีนี้ทํายังไงมันถึงจะไม่หลงอ่ะ หลงหลงไปทําอารมณ์เนี่ยหลงหลงรักหลงชังพอมันเป็นนี้ปุ๊บตัวนี้ที่อยู่ในในคนเนี่ยตัวนเนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวสั่งการแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวสั่งการสั่งให้กายนี่ไปทําอะไรอะ่ะแล้วแต่ที่มันสะสมเอาไว้มันสะสมอะไรที่เราเกิดมาเราสะสมอะไรมาล่ะสะสม กูจนกูจนมันก็เสือกกระสนแหละถ้ามันรู้จนมนก็เอารวยให้ได้ถ้ามันรวยกูก็รวยกูดีกูเด่นที่สําคัญก็คือมันเป็นความรู้สึกที่ผุดออกมาในจิตเราเนี่ยในจิตเรามันมีความรู้สึกอยู่ความรู้สึกต่อการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขาร เป็นวิญญาณอืมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นขันห้าขันก็คืออันที่รองรับรองรับเวลาผัดสานมันจะมาเป็นเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณที่นี้เรามีปัญหาคือเราหลงในหลงยึดอันนี้โดยย่อคืออันนี้แหละมันไหลไปตามนี้เราก็หลงยึดยึดเอารูปเป็นของเราอ่ะ ยึดเอาความพอใจไม่พอใจเป็นของเรายึดเอาสัญญาความจำเป็นของเร า, เาสรางจังหวะดี ي, ๆยึดเอาสังขารสังขารนั่งขัดสมาธิก็ได้นะเอาสังขารสังขารคือความคิดความปรุงแต่งสังขารเนี่เป็นของเราแล้วก็ยึดเอาวิญญาณการรับรู้เนะี่เป็นของกูตัวกูของกูนั้นเราผิดข้องมองใจกันทุกวันนี้เพราะเรายึดอันนี้เรายึดดีคนนั้นก็ยยึดของเขาเราก็ยึดของเขาก็ถกเถียงกันนะ อะไรถูกอะไรผิดที่จริงก็สมมุติทางนั้นนะก็เลยเป็นทุกข์ที่นี้ปัญหาคือเราไม่รู้อันนี้ว่าการยึดนี่เป็นทุกข์มันไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางนี่เขาเรียกว่าอาวิชาอันนี้มันหลงจริงจิงไม่ควรหลงนะควรเฉยเฉยรับรู้เฉยเฉยรับรู้เฉยเฉยแล้วปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางถ้าปล่อยวางได้ในสักพักหนึ่งทีนี้ ไม่สนใจมันนะ่ะปล่อยวางรับรู้แล้วปล่อยวางปล่อยวางนี่จิตจะเป็นสมาธินี่ปัญหามันนะ่ะนะมันจะเกิดปัญญาเป็นสมาธิต่อเนื่องมาคือมันจะเกิดการรู้แจ้งแล้วมันจะลบอันนี้ออกทีนี้เนี่ยลบออกอันนี้ไอ้ที่เข้าไปมีอุปทานในขันห้าอุปทานความยึดติดในนี่นี่ว่าโดยย่อ อ, อุปทานขันห้าเป็นทุกข์มันจะไม่ไม่ยึดอันนี้มันก็จะปล่อยอันนี้ได้ มันก็จะกลายเป็นขันว่างๆเหมือนเดิมจิตว่างๆใจว่างๆมันว่างๆทีนี้อันว่างๆเนี่ยมันก็มาใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยก็จะง่ายๆทํำอะไรก็แบบว่างๆแบบสบายๆนะไม่ลําบากไม่ยึดมั่นหรือมันไม่ยึดติดนะเพราะเดี๋ยวนี้เขาต้องบอกว่าในจิตของคนเราที่ที่มันเป็นทุกข์อย่านี้เพราะมันมีกิเลสมาตั้งแต่เกิดคือกิเลสตั้งแต่เกิดคือตั้งแต่เราจําความได้นะสะสม สะสมตัวไม่รู้เนี่ยมาเข้ามาเข้าความยึดมัน่นหรือมันเนี่ยจนถึงป่านนี้นะยังจะเอาจะมีอยู่นะมันไม่ปล่อยไม่วางไงและตัวนี้ก็เป็นตัวกำหนดเดี๋ยวนี้เราจะมาล้างใจเราเนี่ยล้างอันนี้ออกเนี่ยล้างออกไม่ให้มันมีที่สำคัญคือบางทีโอ้พอรู้นะว่าความคิดเป็นทุกข์ก็เลยตัดความคิดตัดความคิดตัดความคิ ด, ต ด, คคดแต่ไอ้ทัวที่ฝังอยู่ในกระโหลกนี่แหละทาไงอะ ที่มันคิดแล้วนี่ยนะส่วนเราได้ลูกแล้วเนี่ยได้ผัวแล้วได้เมียแล้วอย่างเงี้ยมีอันนั้นแล้วมีอันนี้แล้วเนี่ยมันเลิกไม่ได้อันนี้เนี่ยอะไรประมาณมันก็ฝังอยู่ในนี่อดคิดไม่ได้มันอยู่ในนี่แต่เข้า่าข้างนอกไม่ค่อยคิดเท่าไหร่แล้วไม่ค่อยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ใครว่าอะไรก็เริ่มปล่อยวางได้บ้างแล้วแหละแต่ที่มันอยู่ในนี่นี่เพราะว่านี่เขาเรียกว่าอนุใสยนะอนุใส่ เวลานอนก็สีหะสายญาติสายญาสายญาแปลว่านอนแปลว่าหลับนะถ้ากิเลสที่มันเป็นหลับอยู่ใน น, นี่นี่เขาเรียกว่าอนุสัยมันฝังเนลยอันนี้ต้องให้เกิดอันนั้นน่ะต้องเกิดสว่างเกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาต้องเกิดวิปาาัสสนาญาณเพื่อกำลายนี้ได้ถ้างนั้นก็จะตัดได้แต่ข้างนอกนี้ตัดได้แต่ข้างนอกนี้แต่อีหน่อยตัวนี้ก็กําหนดให้เกิดอันนี้อีกถ้าไม่ตัดอันนี้ออก ไอ้ที่มันเต็มหน่ยอย่างน้อยเอาักยี่เอซเทออกให้ได้นะล้างให้ได้ห้าส1 0เอร์เ็ดส้าเนร้อยปอร์เ็ต็มขันว่างไม่มีอะไรเมื่อตอนเที่ยง อ, อ่านหนังสือล่งปูดูพรมปนอยู่ท่านพูดอะไรที่มันสั้นสั้นสั้นส น, นะแต่ลรประโยช ค, คนที่เรียบเรียงรวบรวมนะ แต่ว่ามาเข้าใจง่ายคือท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่าท่านไม่มีโวหารไม่มีอะไรอะ่ะแต่ว่าพูดซื่อดีพูดถึงเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องรับอารมณ์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยท่านเป็นลูกลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะรุ่นแรกๆนั่นแหละตั้งแต่ใกล้ๆสมัยเขาหลวงปู่ตื้อหลวงปู่ตื้ออจารธรรมโมนะ หลวงตุปปูตื้อผู้เขียนลักษณะพระกรรมฐานว่าพระกรรมฐานนี่จะต้องเป็นเหมือนเสือท่านบอกลักษณะพระกรรมฐานคือต้องเหมือนเสือถ้าไม่ใช่เหมือนเสือไม่ใช่พระกรรมฐานหลวงตาก็จําเป็นบางท่านบางคนนะอันนี้จิตเราเนี่มันสะสมสะสมทีนี้จะมาล้างอันนี้ออกให้มันว่างซะมันว่างแล้วมันก็ จัดการอะไรตามความว่างว่างจากความยึดมั่นหรือมั่นถ้ารู้ธรรมะแล้วไปเถียงคนตาสวดว่ากูถูกเนี่ยไออีกแลเนี่ยยึดนะเป็นทุกข์นะกลับไปบ้านไปบอกมานี่มานี่อแฟนก็ดีภรรยาก็ดีมาสางจังหวะดูนี่ <c oughs> อา้าพี่เป็นอะไรมาเนี่ยไม่ต้องถามนะปฏิบัติมานี่เกือบตายได้กว่าจะได้มาเนี่ยอ้า มารับเอาความหวังดีซะนั่งร้องอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะพาไปหาหมอนะพี่แล้วมันะอมืมันบรรลุติกูบรรลุท่ามา่าไี่หนิคือจะไปคุยกันกับคนที่ไม่รู้นะ่ะคนไม่รู้จะไปคุยเขาไม่ใช่เราไม่รู้นะไม่ใช่เราเป็นว่านนะแต่ไปคุยกับคนที่ไม่รู้คือไม่รู้จะไปคุยนะไปใช้ชีวิตให้เห็นพูดให้ฟังไม่พอทําให้ดูอยู่เขาให้เขาเห็น กลับไปแล้วอยู่แบบไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาค่อยๆทำแกงมันร้อนกลับไปบ้านใหม่เ <c oughs> พิ่งอยาให้ตักให้เขากินเลยเขาจะเจ็บปากนะให้มันเย็นก่อนนะให้มันเย็นก่อนเขาก็จะดูมันบอกเกินสามื่นหือมันก็คือเก่าเขาก็จะว่านะเพิ่นคือซื้ อ, อ, อดอกกลับนะไปบ้านตื่นได้เศเ้า้างจังวะในสามมื่ตนตอนนหนได้ปุกเอา กี่ขั้นคือไม่ไมโอ้ยเขาวไปจักเป็นมาเห็นอย่างเนะอะพลพยั ง, ยงบญวงจักตีถําเสือเส่อมมัอยังมาอยู่เสื่อมมีนะคนปฏิบัติทำแล้วมันจะมีข้ออ้างเยอะแยนะน่ะมันมีวาทะมีอะไรฉลาดของมันนะ่ะถ้ามันรู้แจ้งมันไม่มีอันนี้อยู่ในนี้เขาก็เป็นอันนี้ห น, น, นี่ะเป็นอะไรเป็นวิชาเป็นวิชาวิชาวิชาครูความรู้ รู้ในการดับทุกข์รู้กันเอาทุกข์ออกทีนี้เอาทีนี้ก็มาพูดอันนี้ทีนี้ไอ้ที่พูดเรื่องธรรมะ ท, ทนมมูนี่ม่เขาเหมือนเหมือนถ้าท่านอยากรู้ว่าเป็นธรรมะทูตเกิดแก่เจ็บตายเห็นทุกวันไม่เห็นทุกวันไหมเห็นนะทุกวัน да. เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเห็นทุกวันแต่สลดใจไหมไม่สลดโมสลดกูถอยไม่สลดหงุหูิอะไรเลยพายากตายกระตายตา ย, ตายมดกูสิเคราะหโลกกูเดียว คือจิตเรามันไม่มีสมาธิไงสติมันไม่มีพอการเห็นความจริงอะไรสักอย่างใ น, นจิตมันไม่น้อมเข้าไปอ่ะมันไม่โน้มเข้าไปจิตเนี่ต้องมีสมาธินะถ้าฝึกสติดีๆเป็นเจ้าชายสีดาถะไม่เคยเห็นนะ่ะคนแก่คนเจ็บคนตายไม่เคยเห็นแต่ก็คงคิดอยู่แหละระดับนั้นแล้วเนี่ย ทีนี้พอไปเจอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสัมมนเนี่ยมันกลายเป็นธรรมทูตขึ้นมาทันทีทูดแห่งธรรมทูดทูตะาเลว่าสิ่งที่นํามาหรือนําออกไปนะนํามาซึ่งความดีความงามทีนี้พอเห็นปุ๊บอ้าเกิดความเข้าใจโอ้เป็นนี้นะคนเป็นนี้นะคือมันเริ่มเรื่อมใสแล้วนะ่ะ จิตเนี่ยมันน้อมมาทางโทมสงบสงัดวิเวกแล้วพวกนี้มันเหมือนกับฟืนนะไปใส่มันจะลุกโพรงขึ้นเรื่อยๆจิตเนี่ยนั้นเวลาคนฝึกสติดีๆนี่พอเห็นอะไรเคลื่อนไหวหน่อยเท่านั้นะ่นะไปเห็นคนแก่ก็ยิ่งโศกนะจิตเนี่ยยิ่งเศร้าเห็นร่างกายเดินไปนี่เห็นเป็นกระดูกเลยนะเดินเนี่ยรอบแกรบรอบแกรบรอบแก ร, บ, แกรบเลยผมขนเลือกันหนังเนี่ย ตอบโจทย์ชีวิตตัวเองได้เลยว่าโอ้ชีวิตก็มีเท่านี้เนาะมันปรงดันดีอ่ะจิตนี้มันจะปรงแต่ว่าต้องเกิดจากมีสัมมาทิฐิระดับหนึ่งสัมมาทิฏฐิได้มาจากไหนมีได้มาจากสุตะมัจจยปัญญาจินตมัจจยปัญญาอะไรยแหละหรือภาวนามัชย์คือเห็นชีวิตมีความสลดโหดหู่ระดับหนึ่งอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัถานี่เป็นคนมีสมาธิดีสมัยที่ไป แรกนาวขวัญเนี่ยนั่นเกิดปีติตำรา บ, บอกว่าท่านนั่งอยู่ใต้ต้นว่าเม่ตอนบ่ายนั่งจนบ่ายแล้วแต่วันคล้อยไปอีกด้านหนึ่งท่านนั่งเนี่ยท่านก็ไม่รู้สึกร้อนเลยมันเย็นนะแต่ตำราเขาบอกว่าดวงอาทิตย์ไม่อาจจากท่านไปนะไม่เดินเข้าไปอีกคือไม่ทำให้ท่านร้อนแต่ความจริงคือผลมันเกิดปีติเนี่ย มันเอิบอิ่มมาทราบทราบถึงมาในจิตจิตใจนี่มันเอิบอิ่มอ่ะคือท่านมีสมาธิระดับหนึ่งเขาบอกว่าในนั่นนะโปรเฟสเซอร์ท่านบอกว่าอันเนี้ยจะเป็นเหตุผลเวลาท่านทําสมาธิไปบปําเพ็ญทุกขกิริยาแล้วมันไม่ได้ผลนี่ยท่านเลยนึกถึงว่าเออสมัยตอนเด็กๆ เ, เนี่ยตอนเป็นเด็กตอนแรกหน้าขวัญ น, น่ะเคยได้สมาธินะนะโอ้ทาสมาธิอันนั้นโดยไม่ได้อดข้าวอ่ะ ไมไ่อดข้าวไม่โดน้ำไม่ได้ด ไ, ไ, ดไรเลยก็นึกได้เฮ้ ก, กลับไปทําแบบเดิมดีกว่าคือตอนนั้นเพียงแต่ว่ามีความเข้าใจมีความเวทนานหนอนมีความอะไรต่างๆเนี่ยชีวิตมันมีเท่านี้เหรอคือมองเห็นนะหนู no. มันกินตนะเกียนสักพักกําลังดูดีๆอยู่เห็น งูโดดกินหนูคนเราก็จะเป็นแบบนั้นแหละชีวิตเนี่ยมันใกล้ๆแต่เราไม่รู้นะพอไม่รุ้มก็ะสะสมสะสมสะสมสะสมมันวกไปวนมาหลวงพ่อเทียนท่ า, น, า, า น, บบนบอกว่า่เียเวลาตุกแกมาลร้องเนี่ยกับแก่กั๊บแก่ท่านว่าฟังดูสิ กแก้มันสอนเรานะ่ะสอนอะไรสอนให้กลับมาแก้ที่ตัวเองอย่าไปแก้ข้างนอกคือคนมีธรรมะในใจพอฝึกสติอยู่ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันประคองปเป็นสตินี่คือมองเข้ามาข้างในนะไม่ใช่มองไปข้างนอกนะบางคนมีสติแล้วจะไปทํางานจะไปทำํำมานั้นไปทำมานี่เอาไม่ใช่ละอันนั้นไม่ใช่เรียกว่าสัมมาสตินะเขาจึงเขียนว่าสัมมาสติกับมิจฉาสติอันหนึง่งมิจฉาสติมิจฉาสติคือสติที่ผิด สติที่ผิดคือมันไม่ได้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมไงมันไปอยู่ที่การที่งานที่โน่นที่นี่นะดับทุกไดไ้ไม่ได้คนละเรื่องถามว่าดีไหมมันดีแบบนั้นแต่ไม่ใช่ดีแบบนี้ไม่ใช่ดีแบบพุท ธ, ธะนะครับแล้วบอกว่าเป็นเรื่องประยุกต์ประยุกพุทธศาสนาไม่มีคําว่าประยุกต์สติเนี่ยสามารถดูความคิดดูอารมณ์เฉยๆเกิดดับเทนั่นเองไม่ได้ไประยุกกับอะไรนะคนที่บอกประยุกตนะ์นั้นประยุกต์คือคนไม่รู้เรื่องไงมันจะประยุกต์ที่ไหนเนี่ยสติ รู้สึกตัวทัุบล้อมก็เห็นความคิดเกิดดับนะเห็นอวิช า, า, ชาเห็นตัณหาดับเนี่ยอ่ามันไม่ได้ไปไปเห็นอันนู้นอันนี้อันนั้นมันเป็นเรื่อง ส, สัญชาตญาณทางนอกทักษะการงานเราเรียนมาอะไรก็เป็นแบบนั้นทนั้นเองแต่สติไม่ได้เป็นแบบนั้นสตินี่มันทํารักษาใจเอาทุกออกจา ก, กจิตเฉยๆคนละอันกันดังนั้นเวลาเราฝึกสติสัมปชัญญะเนี่ยฝึกทีแรก เรารู้ตั้งสมมติฐานาว่าเอ้ยทุกข์มันเกิดเพราะความหลงเนาะหลงเริ่มจากไหนหลงตั้งแต่เกิดมานี่แล้วทีนี้เราจะไปแก้ไขตั้งแต่เกิดมาก็าแก้ไม่ได้ก็แก้ตอนไหนแก้ตอนนี้นแหละตอนนี้มันหลงอะ่ะอีกงหน่อยมันหลงวับเข้าไปแล้วมันหลงเข้าไปในอารมณ์อ่ะเดี๋ยวมันเข้าไปแล้วเดี๋ยวเข้าไปแล้เว เ, ลเราก็มารู้สึกตัวทีนี้รู้สึกตัวไม่ให้มันเข้าหลงเข้าไปในอารมณ์รู้สึกเยอะๆมันจะหลงออกมาลงมาวันหนึ่งหลงกี่ครั้งโอ้เยอะแยะมากอ่ะ หลงจงกลับไม่ถูกก็มีนะบางทีนี่ติดอารมณ์นะตะพื้นตะพือไปนะพวกเราเนี่ยะเดี๋ยวนี้คนทางโลกนี่เหมือนคนตาบอดสอนคนตาบอดนะนะเตี้ยอุ้มค้อมไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องแต่ก็พูดถึงเรื่องชีวิตให้กันฟังคือเราเองก็ยังติดอารมณ์ติดความคิดติดความปุงแต่งแต่เราเขไม่รู้ะไม่รู้แต่เราก็บอกกันไปสอนไป มีวิชาด้วยเดี๋ยวนี้วิชาเตรียมตัวตายด้วยทั้งที่ยังเคยตายไม่เป็นนะแต่ทําไมก็ต้องฝึกสติเตรียมไว้มันก็ถูกแล้วนะฝึกสติเตรียมไว้แต่คนที่จะรู้จักวิธีตายจริงๆคือพระอนาคามีรู้วิธีตายรู้ทิธีดับจิตทีจริงเนะี่ยนอกจากนั้นก็คือจิตยังไม่ถึงคือไม่เป็ี่ยนเลยแต่เดาเอาเดาความคิดพะระละหัน น, นี่เอามาสอนกันไอ้เดาเอา คือได้แต่ฝึกแต่ถ้าลงลึกก็ไม่รู้รู้แบบกว้างๆธรรมะเหมือนในน้ํามีปลาอย่างเงี้ยมันก็ถูกนะในน้ํามีปลาเนี่ยแต่มันอยู่ตรงไหนเ่ยปลานะ่ะไปให้ไปจับเลยจะได้ไม่ก็เดาสุ่มไปอย่างเงี้ยเหมือนกันน่ะนั่นะเหมือนกันการจับกันกับชีวิตก็คือเหมือนเดาไปแต่ไม่รู้จริงๆแต่คนมันก็ชอบชอบอะไรที่มันแปลกแปลก ชอบอะไรที่ทา้าทายฮะโดยเฉพาะคนไทยนี่ทา้าท า, ายท้าทายทำยังไงก็ได้มันเอาหมดแหละนั้นถ้าสมมุตินะสมมุติสมมุติสมมุตมมิตถ้าเรามีสติสัมปยัญะดีๆตั้งแต่เกิดตั้งแต่อายุน้อยๆเกิดมาอายุสามสี่ห้าขวบปฏิบัติธรรม จเจริญสติแล้วเรารับรู้แล้วตัดความคิดตัดอารมณ์ก็ผ่องใสมาตั้งแต่เกิดแหละก็ไม่มีอะไรเข้าไปในนั่นน ะ, นะมันไม่มีการเกิดเกิดทุกข์อีกแล้วทุกข์มันไม่เกิดอีกฉนั้นตัวที่จะกําหนดพฤติกรรมเราเนี่ยมันก็เป็นความว่างเป็นความเข้าใจที่ถูกดําเนินชีวิตก็คือกินดื่มทําพูดคิดเหมือนกันธรรมดาเนี่ยแต่มันไม่มีราคะโทสะโมหะเข้าไปในนั้นนะฉั้นทุกข์มันก็ไม่เกิด เพราะว่าเราดำเนินชีวิตแบบแบบสุนยตาแบบจิตว่างแบบธรรมชาตินาะกินได้รับจ้างได้ทำอะไรได้หมดทุกอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละบางคนก็กลัวหมดกิเลสไม่อยากปฏิบัติจริงจังหมดกิเลสดีแล้วนะทุกนกิเลสดีแล้วให้เหลือแต่ธรรมชาติเนี้ยนะธรรมชาติันเนี้ยไม่เกิดไม่ไม่หงดุดหงิดไม่ติดอารมณ์ไม่ โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยมันทํางานแบบธรรมาชาติต ร, รมดาเนี่เดี๋ยวนี้ชีวิตที่มันดําเนินไปไม่ค่อยได้นะเพราะอะไรเพราะไปติดอารมณ์ติดความโลภความโกรธความหลงติดอะไรต่างๆมันก็เลยไปไม่ค่อยได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าโตขึ้นมาอย่างนี้แหละมันไม่ตังเล็กนะมันโตขึ้นมานี้จะไปตัดวงจรมันได้ยังไงก็ตัดวงจรคือตัดความคิดนี่แหละที่แรกนี่ยตัดความคิดเนี่ยเราจะเริ่มเห็น ต่อไปนี่ท่านจะเวลาจิตมันเป็นสมาธิมันเป็นมรคจริงๆมันไม่มีความคิดนะจิตมันไม่มีความคิดไม่ต้องเป็นว่าหันแต่มันเป็นเหมือนมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นเหมือนไอเหมือนหมอกหรืออะไรที่มันจะเริ่มขยับมาเอ่ะมันจะเป็นเหมือนแต่มันไม่ได้เป็นความคิดขึ้นมานะพวกนั้นคืออาสวะธรรมอ อาสวะธรรมคือสิ่งที่อนุใสเนี่ยที่มันหมักมมเนี่ยมันไม่ได้เป็นความคิดนะไอความคิดเนี่ยมันเป็นกิเลสหยบหยาบนี่ยอยู่ข้างนอกแต่เราตามจากนี้เหี่ยถ้าตัดความคิดออกถึงจะเห็นเหมือนเราว่าเปิดประตูให้ได้ถ้เปิดประตูให้ได้ถ้าเปิดประตูได้ถึงจะเห็นคนที่อยู่ข้างในถ้าเปิดไม่ได้ก็ไม่รู้ความลับข้างในขอให้เปิดให้ได้ก่อนเถอะเปิดให้รู้รูปรู้รน้ำก่อนชีวิตเนี่ยให้รู้รูปรู้น้ำ ให้รู้กายก่อนไอ้นเนี่ยแล้วจะเริ่มขยับเข้าไปตัดความคิดให้ได้ก่อนนะตัดความคิดก่อนแล้วจะเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในอนั้นอีกอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันนะเราก็ตัดอา้าวถ้าเราจเจริญสติสติเรามีระดับหนึ่งแล้วก็เริ่มเห็นมันละอยู่ข้างในมองเข้าไปสตินี้ต้องทำเพิ่มนะต้องจเจริญสติมากๆอย่างพระ โสดาบันเนี่ยสติก็ไม่เยอะเท่าไหร่สติไม่เยอะเท่าไหร่แต่ศรัทธาเยอะๆเห็นไหมคนบางคนศรัทธาเยอะนะปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาจเจริญสติดีๆนี่นั่งดีๆนั่งขัดสมาธิดีๆสร้างจังหวะดีๆเอา้ามันฟังเนี่ยมันจะได้แต่เข้าใจได้แต่มันไม่ได้ตัวรู้สึกตัวมันเหมือนกับเรารู้อาหารนะแต่ว่า อาหารเนะี่ยมันจะไม่ถูกต้มด้วยนะสติเรามไม่มีความร้อนจิตมัน ม, มีความร้อนมันก็ต้มไม่ได้มันก็เหมือนเดิมรับฟังก็เหมือนเข้าใจแล้วก็ดับไปมันเหมือนเราเข้าไปฟังในห้องประชุมอะไรสักอย่างอะ่ะพอฟังแล้วจบไปก็หมดเลยอะทําอะไรไม่ได้ไอความรู้นั้นได้แต่จดไดแต่จ ำ, ไ, จำไม่เฉยไม่มีผลต่อจิตเราเพราะอะไรเพราะสติเรามันไม่มีนะแต่ฟังธรรมนี่เขาจะเน้นการทำคนสมัยก่อนเนี่ย คนที่เป็นลือสีเป็นอะไรต่า ง, างเขาไปฟังทำเขาฝึกมานานพขาไปฟังพระพุทธเจ้าเน้่ยพระเจ้าไอ้ที่ทํามานะ่ะมันไม่ถูกต้องทําแบบนี้แบบนี้ทําแต่สมาธิเขาดีอยู่แล้วอะพวกเนี้ยเขาฝึกเข้าฌานฝึกเลยดีท่านพอพูดไม่นานนะ่ะเขีย่ยอีกหน่อยมันจะปิ้งขึ้นมาในจิตเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้สวดไปเถอะนะคําสอนพระพุทธเจ้าคําเดียวกันนะพระพเจ้าสอนอย่างนี้ในพระไตรปิฎกเนี่ยสมัยก่อนนะ่ะ สอนแล้วคนบรรลุทำปัจจุบันนี้เรามาสวดเชา้าสวดเย็นสวดเชา้าเย็นคือซื้ออยู่ว่ามียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะมันน่าจะปิ้งจักเล็กจักน้อยก็ไม่มีเนะี่ยสวดก็เท่านั้นแหละมีหําซ้ําเอาเป็นคาถาโดยซ้ําไปพอสวดเจ็ดก <c oughs> ็กันผีกันอะไรไปอีกโอยโง่ไปอีกหลายรอบใ น, นชีวิตเนี่ยออื ไปหาพระในวัดพะระผมน้ำมนให้ยังรูปเส่หัวอีกมันไม่เข้าไปหลอกนะกระโลกก็หนาพอสมควรอยู่นะท่านไม่ได้พูดอะไรของมันเป็นความเข้าใจมันจะเข้าใจได้หลือน้ำม น, นมันยากนะแต่เราก็ทำไม่รู้จะทำยังไงอะผู้ศาสนานี่มีให้ทุกแบบ ดังนั้นสตินี่ต้องฝึกให้ได้เยอะๆเวลาโยมปฏิบัติธรรมสติเยอะๆเนี่ยยมฟังอะไรนิดเดียวเองนะยมฟังอะไรสักน้อยไม่มากแนระ้วมันจะปิ้งขึ้นมาของมันเองนะมันเหมือนไปกดสลักไปแกะสลักแลนะกระเดื่องมันจะหลุดออกมาเนี่ยคนที่บรรลุทำเร็วคือเขาเป็นอย่างนั้นนะนันได้หลายคนหลายคอร์เวลาวมาปฏิบัติธรรมเขาจะสว่างตอนฟังเทศน์ที่เขาสร้างจังหวะไปเนี่ยนะมันจะเปลี่นนะ คือการบรรลุธรรมเนี่ยสมัยพุทธกาลเป็นยังไงสมัยปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นแหะมันไม่ต่างกันอแต่ก่อนเขาทําได้ไงปัจจุบันก็ทําได้องั้นเพียงแต่ว่าเราสมาธิเราต้องพอหน่อยสติเราเนี่ต้องต่อเนื่องให้ดีๆนะแล้วมันจะเป็นเลยไม่ต้องรอว่า อ, อมาฟังอันนี้เพื่อเอาไปปฏิบัติต่อไม่ใช่นะทําที่นี่บรรลุที่นี่เลยนะทําที่นี่มันเห็นที่นี่มันดับทุกข์ได้ที่นี่เลยอย่าไปมองที่อนาคตเพราะสิ่งเนี่ยมันอยู่ในวิสัย อายุเยอะขึ้นป่านนี้เรามารู้ตอนนี้เพราะป่านนี้จึงได้มาสดับนะจึงได้ฟังแต่ความไม่เคยได้ฟังได้ยินไม่รู้ว่าเอ้ยดับทุก ด, ดับกิเลสนะนี่ไม่ได้คิดว่าตัวเองมีกิเลสพอมารู้ตอนนี้ก็ตัดตอนนี้นะตัดความคิดตัดความคิดตัดความคิดไปเรื่อยนะความงงความเหงามาตัดไอ้ความคิดความงงความเหงาพวกนี้เนี่ยเป็นอาหารรู้จักอาหารไหมอาหารของอวิชชา อาวิชช า, าที่มันมีอยู่ปัจจุบันนี้เพราะมันมีนิวรณให้นิวรณ น, นิวรณมีห้าตัวนึงเออกามะฉันทะมีไหมพอใจในรูปรถกินเสียงมีไหมเรายังมีอยู่ไหมมีนะมักแซบมักนวดนะหลวงตาไปเห็นทางขอนแก่นทางท่าพระห้องอาหารหนัวประตู ฟักกระโดนัวนะ่ชื่อมันนะ่ะอืมบางทีก็ห้องอาหารอย่างโรงแรมดุสิตธานดีดุสิตตุสิตะตุสิตะแปลว่าอืมดุสิตแปลว่าลิ้นนะตุสิตะเนี่ยแปลว่าลิ้นดาวดึงรู้จักดาวดึงไหมตาวติงสาเนี่ย ดาวพฤหสบดแปลว่าสามสิบสามเพราะว่าคือในที่บรนเลงเป็นมหโหระทกกะทึ่ ก, กข้ามนะสามสิบสามอย่างเข้าไปในนั้นเขบาบรนเลงเกิดก้องเราเรียกว่าดาวดึงอคนไหนอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่โยโอ้ยก็กระทึ่กข้ามแหละเนี่ยพวกเท ว, วดาชั้นดาวดึงมันจะ บ, นบาาันเลงล้ำคาญเทวดาชั้นนี้ ฉันดูสิทธิก็คือห้องอาหารแล้วนะเข้าไปในนั้นก็มีนะคาราโอเกะนักนักไปนะมันมีหมดเนะ่ยสวรรค์ชั้นปรินิมชาวสวรรค์ชั้นอะไรเนะี่ยจตุมจตุมมหาราชิกาจาตุมก็คือ ไปไหนคนก็รู้จักนายกย่องฮอลูกพี่ฮ่อท่านท่านท่านกันมาท่า น, า น, า น, านคนรู้จักทั้งทิศ ท, ทั้งสี่เจตุมหาราชผู้เป็นใหญ่ในทิศ ท, ทั้งสีไปเที่ไหนเขาก็รู้จักมีชื่อเสียงน่ะนะ่ะมันก็เหมือนเทวดานี่ได้เราไปใช่ไหมคนนับถือน้ำหน้าถือตาไม่ใช่ไปสวรรค์นอนได้อยู่ปัจจุบันนี่แหละแต่มันเข้ามานะ่ะเราก็ติดนะติดเป็นสวรรค์ติดรูปรถกินเสียงทํำไงมันจะไม่ติดนะท่า น, นมาปฏิบัติธรรมนี่ แต่ก่อนมันติดติดเพราะเราคิดเอา่ะเราคิดถึงเราติด อ, อกติดใจแต่มาที่นี่เราคิดอยู่แต่ละเราไม่ได้ทําเองเล้เพื่อนเอาอยัางไ้แดกกูก็แดกแล้วว่ามีก็กินไม่มีก็แล้วไปพรุ่งนี้หลวงตาหลวงตาเพิ่งไปครัวมาเมาื่อกี้ไปบอกแม่ชีเขาเพราะว่าได้ยินแม่ชีเขาแจ้งมาว่ามีมาม่าที่หมดอายุหลายอันหลวงตาเขาเอ้ยพรุ่งนี้ก็น่าจะต้มมาม่าหน่อยปีใหม่วะ่ะ เอาของหมดอายุนี่แหละว่าบอกเขาอส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นนะยาที่พฟงที่พี่พวกหมอซีนิคลินเข้ามานีเก็ไปจัดให้ป้าคนเราหมดอายุโมดตัวนะเพราะพระเนนไมชีที่นี่เขาไม่กินยานะอะไรเกิดขึ้นกําหนดรู้กำหนดรู้กําหนดรูนะด้เอากําหนดรู้เอาก็ไม่ไม่ทุกขนะ์อ่ะยาก็เลยหมดอายุไป เห็นไม่แต่โยมมานี่เจ็บนั่นเจ็บนี้นิ่อบางทีไม่เจ็บแล้วงงๆงไอง้คงอะไรนะมันต่อต้านในใจนี่ก็ไม่เกรนขึ้นขอยาหน่อยไม่มีอ่ะก็ไม่กินเพราะนี่ที่นี่มันไม่มีมีคนหนึ่งไม่โยมผู้หญิงนะ่ะอาเจียนหากว้าข้างวากจงอ๋อหนูเป็นอะไรเนี่ยจะพิดอนี้โอ้นี่แหละมันหากกิเลสออกแล้วว่ะ อีกไม่นานก็จะบรรลุลงเป็นหนึ่างนั้นเลยไปตั้งใจนะสร้างจังหวะอิสานอยว่าให้มันหากออกให้หมดเลยเดี๋ยวก็กิเลสหมดแล้วก็กลับบ้านแล้วว่าอืมก็รีบลุกมาแต่ที่ไปสร้างจาังหวะที่อ้างอยางโยมคนหนึ่งปวดหัวมาไม่รู้จะทําไงนะเอินว่าเป็นคนแก่แล้วไม่ค่อยรู้เรื่องโลงตาครับเอาแอนตัสินให้กินอันนี้มันใช่ยากแก่เจ็บท้องเหลือเกี่ยวว่านะมันะมัน เห็นรูปคบบทยานะนี่เนี่ยไม่ใช่ว e ่านี่เขาออกใหม่ยมอ่านได้เล่นๆนี่ตัวเนี่ยะกินสองเม็ดนะว่าที่จริงขอให้กินครึ่งเม็ดมันจะได้หายไวหน่อนะกินสองเม็ดเลยกินสองเม็ดตอนไปบ่ายไปถามโนเป็นยังไงดีมากดีมากขอพระคุณลงตานะ้อโเกือบปู่ใส่สูตรผิดเนอะว่ะ หายมันเว้ยมันไม่ยากหรอมันเป็นโรคจิตแบบหนึ่งเฉยเฉยหน่ะยนะโรคจิตเฉยอืย <นะ S 2> มันไม่มีอะไรถ้าคิดมันก็เป็นเนี่ยอย่างรถตาว่าน้ําเนี่ยมีแต่หนูทั้งนั้นหนูตายทั้งนั้นมีแต่ขนบางคนไม่กล้ากินเลยนะเฮ้ยบอกบอ บ, อบอกล้ากินไปนตักมาแล้วก็ยกขวดเพิ่งบบบขนหนูกูจะมีบ่ โอ้มึงคิดมากมึงก็ทุกมากเลยเนาะไม่คิดเลยอย่าไปคิดบางคนไม่ได้สนใจนะหลวงตาท่านก็ว่าปไป็นกันแหละอะกูกินไปเถอะอะไรท่านคงอยากประหยัดนไม่อยากให้กูกินกินไปกินไ ป, นไปเขาก็สบายใจนะเน ด, ดินจุกมก็ดีปลอดโปร่งโล่ ง, ลงเกิดในแต่คนคิดมากกนะินแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมัน คอมันก็จะแห้งๆเหมือนขนหนูนั่นเมื่เออมึงเอาอยู่นั่นแหละมึงมันจุกคอหง่อยแล้วขนมันน่ะไม่ใช่ขนมันหรอกว่ามันไปทั้งตัวเลยแหละนั่นนะตายพอดีได้เนี่ยมันอย่าไปคิดอะไรมากมายนะอย่าไปคิดอะไรมากมายจบแล้วคือจบกินแค่กินแล้วก็ไปขี้ออกฮะใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรถ้าละคิดเนี่มันตันนะอุดลูคอเนี่ยแน่นเลยนะมันเหมือนเราเกียร์ชั้งน่ะ สตว่าเรามีเมียเนี่ยเราไม่ชอบหน้ามันอะ่ะพอกลับบ้านนะมันมาแล้วประจบสอพอนะพี่ทํากับข้าวไว้ให้นะเนี่ยอะไรล่ะไก่ย่างอะไรนะหลวตงตาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอาหารเนาะอาหารนันนนี่เราเร า, เราไม่ชอบหน้ามันอืะอาไปทํำไมเลี้ยอิ่มมึงถ้ <laughs> าอิ่มมันน่ะเราไม่อยากกินน่ะ คืออิ่มเห็นมันเราไม่อยากกินเสียดเสีเอียนนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นบานนะเนื่อจิตนี่มันเอ็มมันเต็มนะมันไม่อยากนะอผมกินนอกบ้านอนี้ประมาณจิตเหมือนกันน่ะขันห้าเนี่ไม่ได้หมายว่าเอาอะไรจะยัดใส่แล้วมันจะได้นะเพราะมันแน่นมันเป็นนะมันไปอุดระบบทางเดินเอาหงออาหารแล้วพิโกงพิการไปหมดนะนะมันแย่ไปหมดนั้นถ้าเราแก้ที่จิตเนี่ฮ้ยมันไปหมดนะ มันได้หมดมันทะลุทะลวงไปหมดกินอะไรก็ได้กินอะไรก็ไ ด, กไกได้กินข้าวก็อะไรก็ได้ไม่มีข้าวกินก็ได้มีข้าวกินก็ได้ไม่มีกินก็ได้เสื้อผ้าขาดขาดเหมือนพระนี่ก็ได้อะไรก็ได้อ่ะมันง่ายง่างมันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรอ่ะ อะไรที่มันทุกทุกยากยากนี่มันเหมือนประสบการณ์ชีวิตนะมันไม่ได้คิดว่ามันเป็นทุกเป็นยากนะคุณภาพไปตุดงนั่นแหละภาพไปตุดงนี้ยิ่งสบายอะไรที่มันทุกทุกนี่ยิ่งได้เรียนรู้ยิ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตแต่ถ้ า, าไม่ได้ปฏิบัติทำสติน้อยเนี่ยห่วงไปหมดเลยนะอันนั้นก็ห่วงอันนี้ก็ห่วงอันนั้นก็ผิดอันนี้ก็ผิดมันก็ยากคนระับดังนั้นใจเราเนี่ย อย่าให้อะไรลงไปปฏิสนธิซะอันที่ชาติที่แล้วนะก็อย่าไปยุ่งมันนะเราไม่รู้ก็อย่าไปรู้กับมันอันนั้นรู้ปัจจุบันนี่แหละรู้ชาตินี้คือมันแวบเข้ามาเนี่ยรู้แล้วเนี่ยตัดออกมันแวบเข้ามาเนี่ตัดออ ก, ก, เ, าาออกเพราะกูทุกข์ทุกข์เพราะอันนี้แหละอย่างนี้นะไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราไปรักคนนั้นคนนี้รักมาแต่ชาติปังก่อนแล้วก็ไม่ชาตินี้แหละชังเขาแหละชาตินี้ติดบุหรี่ก็ชาตินี้ติดยาบ้ากับชาตินี้นะหนาวก็ชาตินี้แหละนะ มันเป็นอยู่ที่ฉันแล้วก็เห็นแล้วก็ตัดออกตัดออกตัดออกตัดลงไปเรื่อยๆจะเห็น อ, อ่ามันสุกนะมันสบายนะแล้วก็เหลือที่มันลึกๆนั่นก็ตามลงไปก็เห็นก็แกะออกเียาะออกเรื่อยๆรืยๆอย่างน้อยก็ได้ล้างใจอะใจเราเนี่ยไม่เคยล้างสถีไม่เคยดีทอ็อกมันเท่าทีทำมันว่างเทอดีทอ็อกหรือว่าภาษาพระเขาใช้คาว่าสํารอกกิเลสเคยได้ยินไหมสํารอกสํารอกไปว่า หกักแปลว่าหากักแปลว่าอาเจียนไอเจียนมันออกใช่ไเจียนออกสามรอกนออกที่นี้มันจะอาเจียนได้เนี่ยมันต้องหนักนะต้องเบื่อนะไอข้างในเนะี่ยมันเบื่อนะจะอาเจียนความคิดไดนะ้คุณต้องเบื่อความคิดนะเบื่อหรือยังยังคิดวันไหนก็อร่อยเหมือนเดิมอะเพลิดเพลินคิดได้คิด ด, ด, ดีหมดเลยยังความคิดยัง เบื่อบ้างหรือยังคิดอันเก่าไม่คิดอันเก่ากลับไปกลับมากลับไปกลับมาถ้าไม่ไม่เบื่อนะอันนี้ยากนอนกินกาบนอนกินกามคิดที่คนเบื่อไม่เป็นนะความคิดในยิ่งคิดแล้วคิดอีคิดแล้วคิดอีคนเบื่อไม่เป็นที่นี้ถ้าคุณจเจริญสตินะมันเหมือนกับอะไรลนะ่ะกินยา เบนด้าห้าร้อยเม็ดเดียวครั้งเดียวเนี่ยนะคือพอรู้สึกตัวมากเขามันมีปริมาณพอเนี่ยกินเข้าไปแค่รู้สึกตัวเนี่ยมันจะเข้าไปมันจะไปเข้าใจอันนั้นสิ่งที่เราสะสมะมันจะเกิดการอาเจียนออกมาอาเจียนคือเกิดการสัมลอกกิเลสนะเคยหมาเคยเห็นหมากินหญ้าไหมเมื่อหมากินหญ้ากินสักพักแล้วมันก็จะอาเจียนมันจะเอาอันนั้นออกมานะและ้วทำอะไรไปอาเจียนออก่ะ เหมือนกันนั้นเราจเจริญสติเพื่อจะสำลอกอันนั้นออกไม่ใช่แค่ตัดอารมณ์ข้างนอกนะตัดความคิดตัดความปรุงแต่งที่เฉยนะเอาพอยไงป่บอกทั้งนี้ประทังนั้นพอบริเรื่องบอกเท่านั้นประทังนี้บริเรื่องอา้าวสางจังหวะดีๆเตืนจุกรมดีๆขั้นตอบได้ไ ป, ไปนอนแล้วปานนี้ตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งนะตามสัญญานน่แหละเอาเสียงเอกฉัน เอกะแปลว่าหนึ่งแปลว่าน้อยห <c oughs> ลวงผู้สั่งผู้เดียว <c oughs> บอกว่าสียูก็ <c oughs> อยู่น้ำพินละหรือจะเอาอย่างงี้คืเราเทศนาคอนเสิร์ตเอาเปลี่ยนองค์นั่นองคนี้ขึ้นมาเรื่อย ๆ, เ อ, ยๆเอาขึ้นมาคนละเพลงสองเพลง คือขึ้นมาเทศองหนึ่งแล้วก็ลงองหนึ่งแล้วก็ลงเนี่ยหมดเนี่ยนะะโต้ลุ่งซอดแจ้งจงางฟางนี่จะดีนะแต่ไม่แน่แเนาะบางคนทำท่าไปเยี่ยงหายับห้วับอืมแผนมันสูงระวังดีดในทางห้องผู้หญิงเนี่ยคนที่ถวายกุฏิเนี่ยนะเขากินยาตายไม่ใช่กุฏินะสาลาชุทารัตนะ เป็นลูกคนรวยมากที่หาดใหญ่เป็นเป็นหมอยานะเรียกอะไรนะเออเพนเพสัจกรสัจกรปริญญาตรีประเทศไทยปริญญาโทอเมริกาเพาสัตเนี่ยพอกลับมาปรากฏว่าแฟน ไปมีคนใหม่พ่อมันน่ะปฏิบัติทำกับหลวงพ่อเทียนพ่อมันน่ะลูกมันเนีะยีนางอันนี้พ่อจะเอาไปไหว้เฉ ย, ยๆเห็นมาไหว้อยู่เรื่อยๆมากับพ่อมันก็มาไหว้แต่มันไม่ยอมปฏิบัติอืม <c oughs> พยายามบอกมันก็ไม่เอามไม่ถึงเวลาพ่อกับมาเห็น แฟนมีแฟนใหม่แฟนมีแฟนใหม่เขาว่าคนเราเว้านะ่ยมีแฟนใหม่กำลังเปลี่ยนใจมารักผู้ชายบ้านเดียวกันโอ้แฟนเแฟนรักกันเดียวแน่นมาตั้งนานมันจะยาวได้นเนาะ <ranking> ชาตรีสีชนกินยาเขากินยาตายนนตนนเนี่ยจบเพสัตว์นะเนี่ยไปเรียนมาทําไมตั้งแต่ป ร, ริญญาโท จบมาเพื่อมาปรุงยากินตายนี่ยูกาวาซื้อเอาแถวตลาดนี่ก็พอแล้วมันไม่ต้องไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาตายนะพ่อเขาไม่ไหวจะรู้จะไหวยังไงองตาผ ม, มอยากอุทิตทาที่พักทำอะไรให้ลูกสาวผมหน่อยเนี่ย<ม><ม>แล้วก็เรียกวิ ญ, ญญาณเขามารับส่วนกุศลด้วยนะ หลวงตาก็เรียกมานะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นรับก็ป้นเปี้นยนแถวๆนั้นแหล <c oughs> ะก็เป็นนางหวงนะักสำหรับคนที่ลาไปเยี่ยวแล้วเข้าไปนอนนี่ก็อะมันไม่เข้าใครออกใครได้ของไม่เห็นตัวเนี่ยมันเนาะลงภูลงภูนี่ก็เคยเจอนะเนี่ยเอาดีๆได้ <c oughs> มันจะผมยาวมากอีนางอันเนี่ย <c oughs> ผมยาวไปถึงก้นนั่นแะ ผมมันอ่ะผมยาวดิคนปากใต้นะตาคมขำปากใหญ่ๆริมที่ปากมันเนี่ยแต่น้ําลายไหลลีนกว่าห้อยแค่ศอกนลยนะเอาดีๆด้วยระวังดีๆนะเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่าไปล็อกประตูเวลามันล้วงขึ้นมานมันออกไม่ทันนะวิ่งไปนะอันตรายเืมแต่ถ้าคิดอย่างหนึ่งว่าถ้ามันตายแล้วมันคงวิ่งไม่ทันกูล็อกมันก็พอได้อยู่อืม พรมันผูกคอตายไงไอ้มันกินยาตายน้ำลายฟูมปากเต็มกินยาแต่ไม่รู้ยาอะไรแต่มันปรุงขึ้นมาเองอ่ะมันรู้เสียใจนะแก่แฟนไปมีแฟนใหม่เฉยๆมันยึดมั่นถรือมันว่าแฟนนี่เป็นของกูไงนะแต่ความจริงไม่ได้คิดว่าแฟนหรอกแต่เป็นมันไปยึดติดความคิดน่ยยึดติดความคิดของมันเองถ้ามันจะเิญสติสั่นไหวลบความคิดมาได้ก็สบายไปอ่ะ ก็สบายไปมันไม่ม oh ีเออพูดถึงเรื่องแฟนนี่ยมีโยมคนหนึ่งโยมเป็นลูกสาวผู้ใหญ่ในกระทรวงนะมาปฏิบัติธรรมมีด็อกเตอร์คนหนึ่งพามาเป็นผู้หญิงคือเขาคบกับผู้ชายคนหนึ่งมาหกปีอยู่ด้กันคบกันมาเนี่ยอยู่ๆผู้ชายคนนั้นนัดมาเจอที่ร้านอาหารหรูแห่งหนึ่ง แล้วก็บอกเขาว่าอขอโทษทีนะผมมีเรื่องอยากจะบอกคุณนะ่ะมีเรื่องอะไรพูดดีอะคุณดีเกินไปสำหรับผมคำนี้มันชอบพูดผู้ชายห่าห่าคนนี้มันชอบพูดนะเวลามันจะเลิกมันชอบพูดนะมันไม่ได้ว่าผู้หญิงชั่วนะคุณดีเกินไปสำหรับผมนะ เท่านั้นเองนะผู้หญิงรู้ทันทีว่าชะตากรรมกูจะเป็นยังไงเนี่ยร้องไห้ร้องไห้ทำไมฉันไ่ทำผิดอะไรไม่มีผิดไม่มีผิดคุณดีเกินไปผมไม่คู่ควรแน่แล้ตาถามมึงจะมาบวชหรือไม่จะหาใหม่ผู้หญิงนะ่ะร้องไห้ตั้งแต่วันนั้นมาเป็นเดือนนะจนทั้ง ด็กเตอร์เนี่ยกลับมาจากญี่ปุ่นเระยร์นสงสารพามาที่นี่มาที่นี่แม่เขาสงสารลูกเขาให้ลูกน้องน้องสาวมันมาอีกมาด้วยกันสองคนพาอดูแลพี่สายพี่สาวพ่อพี่สาวร้องไห้ตลอดนะเห็นเขาถือขู่ถังมาด้วยใส่น้ำตาผนะ้าขาวมาั้ยต่างหาก โอ้ร้องไห้ได้ร้องดีรงตาว่าเอา้ายังเขาไม่แน่นะเขาว่าร้องตาครับผมพาเพื่อนมาอะไรวะรนะ้งตาว่าอกหักมาแล้วสิเนี่ยร้องไห้ก็ขึ้นทันดีเลยนะมากมายหลากหลายหลองตาก็ถอดจีวร<อ>ให้ <laughs> แล้วก็นุ่งใหม่นะ <laughs> ไม่ได้ให้ไปเช็ดหน้าเช็ดตาเด้เสียเวลาเวลาคนโง่แบบนี้จะเอาใจงไง <laughs> ว่าโอ้เป็นเรามากไปโยบไปทำอะไรอ่ะเขาเป็นลูกผู้ใหญ่นะพูดชื่อขึ้นนี่รู้ดั่นีพ่อเขานะลุงตาว่าเหมือนเขาจะตายอ่ะแต่ลูงตาว่าทำไมจะร้องไห้เขาบอกว่าเขาส่งสารแม่เขาโอ้โหกนอะไรเรื่องอีกเลยทําไมส่งสารแม่เพราะว่าแม่เนี่ยห่วงลูกเพราะลูกผิดหวังลูกออกหักลูกอะไรนี่แต่เนี่ยกลัวลูกผูกคอตาย กลัวลูกเสียชื่อเสียงเกี่ยวกับเพื่อนพวกอะไรเขาเนี่ยห่วงลูกแม่เห็นลูกแม่จะร้องไห้ตลอดลูกเห็นแม่ร้องไห้ลูกร้องไห้เพราะเห็นแม่ร้องไห่โอ้โหมันไปกันหมดนะเป็นขบวนการนะไม่ใช่ทุกคนเดียวนะแต่น้องมันนี่จะหัวเราะตัวขาวๆน้องมันนะผู้หญิงเหมือนกันแหละหัวเลาะหลวงตาว่าถามเอ๋ทําไมมึงไม่ร้องไห้อ๋อยหลวงตาม่าก็คนละคนเนาะเนี่ยของหนูก็มีต่างหากมา คุยปฏิบัติทำร้องไห้ทุกวันสี่วันห้าวันเนี่ยมาอยู่ในเจ็ดวันแปดวันเนาะเสร็จพุ๊ก็กลับไปลวงทางคิดว่คงไม่ได้อะไรมากแต่เขาบอกเขาได้หนูได้หนูได้นะหนูได้ไดไดเอา้าทําไมไม่เกิดปัญญากับเขาเจ้ีเนาะหนูก็เตรีมที่พอกลับไปปุ๊บเขามาเล่าให้ฟังใหม่เนาะเขามาอีกรอบสองนะเขาพอกลับไปปุ๊บไม่รู้ยังไงหนูอาหารหนูนัดมันเจอที่ร้านอาหารเหมือนเดิมอะ นัดหมอนั่นมาที่เจชิญไปทานอาหารหมอนั่นก็มาเลยทีน่นี่มาเจอที่อาหารพอมาปุ๊บเขาก็เข้าไปกราบกราบผู้ชายคนเนี้ยแล้วเขาก็พูดว่าไปวัดสมนัติไหมผู้ชายคนนั้นตกใจอะไรอ่ะวัดสมนัตอะไรอ่ะเพราว่า ขอบคุณนะที่ได้ทําให้ฉันเห็นตัวเองเขาขอบคุณที่ทําให้เขาได้เห็นตัวเองเขาพื่มปิติยินดีเนะี่ยได้เห็นตัวเองอืถ้าเขาไม่มีเหตุการณ์นี้เขาจะไม่เห็นตัวเองเขาก็ขอบคุณผู้ชายคนนั้นตกใจนี่อะไรเนาะนะเขาไม่ร้องไห้แม่อะไเขาก็ห่วงห่วงว่าคนนี้จะร้องไห้ต่อหน้าเขาอย่างงาี้นี่นะไม่เป็นนะ่ะ เสร็จป ก, ก็คุยกันนะนี่เขาก็เล่าเรื่องปฏิบัติทำให้พอกลับไปผู้ชายโทรไปหาด็อกเตอร์คนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ก็แฟนเขาเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะตื่นเช้าว่าม า, ม, ามันมาคนนั้นอนะผู้ชายคนนั้นมาหลวงตา เ, าเอ้ถ้าสอนนี่มันก็จะเลิกกับผู้หญิงแฟนคนที่สองนะเนี่ยว่าะ มันจะวุ่นวายไปหมดนะเนี่ยมันเนี่ยเอาเบาๆเอาก็ได้หรวงพี่ว่าเพราไม่ได้สอนอะไรมากมายนะนะเกิชีวิตนี่พอเราเข้าใจมันก็ปล่อยวางนะไม่ทุกข์ไม่ยึดคนที่จะอยู่กับเราได้ก็ต้องเป็นคนที่อะไรอะเขาเรียกว่ารู้จักสมรสไหมสมสมไม่ใช่คําว่าสมะแปลว่าเหมาะสมแปลว่าคู่ควรกันอะนะนะ สมควรเหมาะสมก็ศีรสามัญญตาทิฏฐิสามัญญต า, า, า, ตาคือต้องมีการปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติที่เหมือนกันคนมีศีลเท่ากันอยู่ด้วยกันได้ความเห็นเหมือนกันอยู่ด้วยกันได้แต่คนหนึ่งมีตัณหาราคะจัดจ้านอีกคนหนึ่งไม่มีไม่ได้นะอีกคนหนึ่งเป็นคนธรร hm มะธรร ม, มก็ต้องอยู่กับคนธรรมะธโมนะคนติดยาก็อยู่กับคนติดยานะคือไม่ต้องอยู่ด้วยกันได้คนมีศีลมีธรรมพอประมาณก็ อ, อยู่ด้วยกันได้นะคือเขาเข้าใจกันนี่ย แต่ถ้าคนหนึ่งทำไปหนึ่งคนหนึ่งทำไปหนึ่งอยู่ด้วยกันไม่ได้นะมันยากลำบากแต่แปลกนะถ้าคนพูดมากเนี่ยผู้หญิงพูดมากชอบได้สามีไม่พูดนะแปลกนะผู้ชายพูดมากแต่ชอบได้สามีสามีนี่แปลว่าอะไรฮะผลิฮะ เมียใช่ไหมฮะออัวนะสามีเปนว่าผัวโอ้ยจำไม่ค่อยได้เว้ย น, นี่แหละคือมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะก็มีแบบนั้นก็มีนะมันแล้วแต่มันสะสมในใจอย่างไรก็ตามนะชีวิตเรามาเรียนรู้มันก็ทำให้มันเป็นริงเป็นจังขึ้นมาชีวิตคืออะไร ชีวิตก็ถูกทั้งหมดนะที่ท่านตอบนะชีวิตก็เป็นอย่างที่ท่านว่านั่นแหละชีวิตคืออะไรก็คืออันที่นั่งเข้หมออยู่นี่แหละชีวิตแต่เนี่ยนี่คือตัวตนของชีวิตแต่เนี่ยมั น, ค ว, นควรเป็นอยู่อย่างไรก็ควรเป็นอยู่อย่างไม่มีทุกนะนะยังไม่มีทุกตามหลักของอริยสัจนะถ้าเป็นไม่มีทุกแบบโลกโลกก็ไม่ได้นะอืมทุกอริยสัจคือต้องเห็นเหตุของทุกเห็นจี้ลงไปที่เหตุมันนะไม่มีเงิน เป็นทุกไหมเป็นทุกไม่เกิดจากอะไรยื้อไล่เข้ามาอะไรเข้ามาโอ้อยมันกลับมาใกล้เข้ามาที่ความคิดความคิดทําไมไมันจึงคิดมองเข้ามาเนี่ยพราะไม่เห็นลึกเข้ามาปานนี้จึงเป็นอริยสัจแต่ถ้ายู่ห่างๆกไม่ใช่คนละเรื่องกันต้องเห็นเข้ามาเห็นข้างในเนี่ยมากๆรู้เรื่องเยอะๆลึกๆนะเห็นอยู่ทั้งว่าเกิดพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนเอาไฟเชื่อมนะจี้ลงไปในเหล็กนะพอจี้ปุ๊ติด ทัีอ่ะนะมันขาดจะบั้นไปเลยอ่ะอาการนั่นอ่ะนะแต่ถ้ากําหนดรู้เห็นเออเห็นความคิดก็รู้ความคิดก็ดับบ้างไม่มันยังไม่เป็นให้นี่มันไม่เป็นให้มันไม่เกิดมันไม่เกิดสปาร์กให้ก็้าใจไหมมันไม่สปาร์กถ้ามันไม่สปาร์กก็ไม่ใช่วิปัสสนาอืมมันต้องเป็นน่ะมันจะรู้จักอย่างที่เขาว่าน่ะ เอามาปฏิบัติทําแล้วครั้งที่หนึ่งออกไปมันยังมีโกรธอยู่น้อยๆนี่เขาบอกถ้ายังมีความโกรธลภหลงอยู่เราเอาไปทดลองดูนะเหมือนมีดเนี่ยพอมาตีแล้วไปฟันมันยังมีปัญหาอยู่เค้นใหม่อีกชุบใหม่อีกพอเอาไปปุ๊บครั้งที่สองไม่โกรธเลยครั้งที่สามว่างเลยไม่มีโกรธไม่มีเกลียดสบายนะสบายมันสบายมันไม่มีอ่ะ ม, ม, ม, ม, มันเกิดแล้วก็ดับมันไม่มี มันมีแต่โล่งแต่โปร่งเอาคนที่คนที่พูดไปเมื่อกี้นะที่เขาเปิดวีดีโอเนี่ยเขาเดินจ ก, กมเขามาเจ็ดวันก็เดินตลอดนะเขาไม่เคยนั่งนะไม่นั่งก็ได้หลายหลายคนมานี่ยังมีมิจฉยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่าเฮ้ยเดินแล้วมันจะเป็นสมาธิได้ยังไงวะเดินไปเดินมามันต้องนิ่งๆใช่ไหมจึงเป็นสมาธินะ่ะถ้าไปเคลื่อนไหวมันจะเป็นสมาธิเลย <c oughs> คุณรู้จักสมาธิน้อยไปอะ่ะ คุณรู้จักแต่สมาธิลือสีนะคุณไม่รู้จักสมาธิของพระอริยเจ้าไงนะสมาธิมันไม่ได้แปลวา น, นิง่งใช่ไหมสมาธิแปลความตั้งใจมั่นวิธีทาให้เกิดสมาธินี่สมาธิมันมาจากสติสมาธิมไม่ใช่สะกดจิตพลันกันนะสติคือระลึกรู้เฉยๆรู้เรื่อยๆรู้เรื่อยๆรู้เรื่อ ย, เ, อยเป็นคณิกสมาธิเป็นสมาธิแต่ละขณะขณะไป ขณะนึ่งก็รู้รู้ไปดรื่ยๆไม่ใช่มันนิ่งดิ่งยึดไปเนี่ยถ้ามันยึดมันนิ่งแล้วมันจะสงบมันกลายเป็นสมถะไปเลยอะไม่เกิดปัญญาเห็นไหมในสังคมไทยปฏิบัติธรรมกันเยอะแยะนะไม่ใช่ไม่ปฏิบัติธรรมแต่ปรากฏว่าไม่เกิดปัญญาเพราะเขาทําแบบสะกดจิตทําให้มันนิ่งยังไงพอมันนิ่งอยู่ไม่เกิดมันก็ติดสงบอยู่นั่นอ่ะมันไม่เกิดการรู้แจ้งเห็นยิงงนั้นเอามาใช้กับชีวิตไม่ได้อะยิ่งทําสมาธิมากเพ่งมากจ้องมาก คนนั้นจะเป็นคนโทสะสูงอือก็สังเกตันไปแตะเขาไม่ค่อยได้นะพวกทําสมาธิเนี่ยอารมณ์โกรธมันจะเยอะอารมณ์กามก็จะมากด้วยกันนะสังเกตดูดิถ้ามันไม่เกิดวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นการกดมันไวน้อ่ะเวลามันแตกเนี่ยมันจะยากมากเอาอยู่เอาไม่อยู่อารมณ์เนี่ย นั่นใส่ใจเธอนั่นเลยลึกรู้ตื่นเช้าควรจะคิดว่าตื่นเช้าโอ้ยตื่นเช้าเจ้น้อหลวงพ่อเอ้ยพอปติเลยข้างอ้วเดี้ยน้อเนี่ยขอให้หลวงพออ่อจะได้ไปเกิดไปขานเนื้อทรมันกันน้อยนี่ย